พระธรรมเทศนาของท่านหลวงตานรรักดีนาเรียวตอนนานาปัญหาของนักภาวนาตอนที่ออทออสองเอาได้หรอรอบสองอธิบายนงชัดเจนเออเมื่อกี้ฟังจากพี่ยงกขาพูดหมดแล้วทั้งคนอ่ะมันไม่ที่ท่านพูดก็ยังไม่ถูกพูดใ น, นมันถูกเอาไหมปฏิบัติยังไงเอาตั้งแต่ละเอียดเลย ก็มีมีมีรับเข้ามาคือมันเอ่อถ้าถ้าเกิดมันมีอาการอะไรขึ้นมาปุ๊นี่ยมันจะมีตัวตัวนึงมันมันบ่นอยู่ข้างในอ่ะมันมันมีอาการสมมติารอะขึ้นมามันจะมีตัวอะไรมันเริ่บนข้างในอ่ะพพรอมัน่อดแงว่าไเงี้ยจะมีตัวนี้ขึ้นใหม่ขรางใน่าอการว่าทำไมมัน แน่นมันชื้นมันซึ้ร้อนมันไม่โปงไม่โด่งไม่เบาไม่สบายจะมีตัวนี้ร้อนขึ้นมัคือพอมันร้อนขึ้นมาพุ่เนี่ยก็จะมีคนมารู้ไอ้ที่มันมันบ่นเนี่ยนแล้วก็ไอ้ที่อื่นอ่ะมวนก็ก็หลุดไปสุดั้นเลยแล้วพอมาลูไอ้ตัวที่มันบ่นเนี้ยบ่นว่ามันร้อนขึ้่มามันร้อนข่าวมัน แน่นมันยึบมันซื่อมันไม่โลกไม่เราสบายคือตอนนี้มันก็ถ้ามันเข้าไปยึบเนี่ยมันก็จะดิ้นบนพยายามที่จะออกมาอยู่กัที่ที่มันเคยโกงเคยโลกงเคยเราสบายแต่พอเรามาเห็นที่มันปรุงปุ๊บก็รู้สึกว่ามันมันป่อนลงอะไรันเราไปเห็นอะไรปรุงแล้วอะไรมันผ่อนลง คือหมายถึงว่าเรามันรู้รู้ไอ้ตัวที่มันมันบ่นมุกมุกมุกอยู่ข้างในเนี่ยนะจะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันมันชิ้งจากไอ้ที่มันอูดตันมันแน่นมาเลยมาทุกมันมันมันชิ้งมาไกลออกมามามาอยู่ครับการที่ไปเห็นไอ้ตัวที่มันบ่นว่าเนี่ยทาไมตอนนี้มันร้อนจังเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันก็จะออกมาตารสูตรอว่าทได้ยินเสียงไม่ได้ยินอะไรปกติ ไม่รู้ว่าลงมันคัดตัวเราเลยมันจะรู้ออกมาเป็นชั้นๆเมื่อพัดมาแล้วก็แล้วมันก็จะอยู่ในนี้อยู่ในละแวะที่ว่ามันรู้เป็นตัวที่บนรู้พัดมายังไงต่อแล้วก็ะะจะว น, นไปอย่หนีไปเรื่อย้วพอเดี๋ยวมันก็จะลงไปคิดอยู่ย หลงไปคิดแล้วก็ทีนี้พอมีอาการอะไรที่มันสมมุติอนนี้มันก็คือว่าตอนนี้มันจะอยู่กับอาการนี้อยู่ก็คือว่าบอกไปก่อนว่าถ้ามันเป็นพรคโลโง่โงโรคกลมโรคอสบายพรเนี้ท่านแอนก็จะไปพอใจยินดี y, แล้วก็จะไปพูดขึ้นมาว่าอุ้ยทำไมมันดีจดังเลยดีอย่างนี้ดีอย่างเนี้อะไรวันนี้จะขึ้นมาพอมาเห็นอีกเห็นที่มันกดขึ้นมา ว, ว่า มันพูดคือพอใจมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ท่านมันพูดให้ตัวที่รวงลงสู่สวรมันก็คล้ายๆมันลอยออกไปลอยออกไปมันก็จะมาอยู่ท่าแสลนี้เหมือนเดิมอยู่ลักษณะทีว่อมันมาดูว่าที่มันบดนุ่งนิ่งนุงนิ่งน่แล้วก็รู้รู้ถึงข้างนอกรู้ถึงรับรู้เสียงลับรู้ทางกายเห็นยุงแย้มมือจะออกลอยออกมายิ่มันจะไม่พ่อไปจมแช่อยู่มันมันจะ ก็จะรู้อยู่แบนี้นะครับคือจะเไปอยู่อเขามีอาการอะไรประมาณนอ๋อแล้วเราจะไปไปจับตอนไหนอ่ะคิดว่าถึงที่ตัวตอนไหนอ่ะมันก็ยังวนมันก็ยังวนไปวนมางูกินหางินเนี่ยแล้วยังไงต่อก็คิดว่ามันพอเรารู้อย่างนี้ไปบ่อยๆเข้าเนี่ยคือมันก็จะรู้สึกว่าหลงหลงน้อยลงน้อยลงนะเนีหลงอะไรหลงอะไรหลงไม่หลงคือหลงอะไรจมแช่ในอาการแล้วก็หลงเข้าไปบน เออบุ๋นงูนิ่งงูนิ่งอยู่ข้างในเนี่ยมันจะค่อยๆแบบรู้ทันเร็วขึ้นเร็วขึ้นหรือก็จะมารู้คือว่าตอนตอนปัจจุบันนี้มันก็จะรู้ว่ามันพูดอะไรขึ้นมานี่เนี่ยมาทันหรือว่าแล้วพูดด้วยรู้ด้วยอย่างเะไรการประชุมแค่กับทุกคาเวทนาหรือว่าสุขาเวทนามันก็ไม่มีก็จะมารู้ทันในตัวที่มันปรุงแต่งในตอนนี้ยรู้จะรู้แบบ มารู้ผู้ไม่รู้ก็จะไม่ว่ามันตื่นตื่นรู้ตื่นรู้เขมาหนึ่งเนี่ก็จะรู้สึกว่ามันพอมารู้รู้สึกในพวกมันจะเข้าไปจมแช่ไปอะไรอย่างน้ร้อยร้อยกว่าที่ที่เราเราไม่ไม่เห็นในการพิจารณาที่บอกว่าตื่นมารู้รู้อะไรก็ไม่ได้รู้อะไรรู้ว่ามันก็หมายว่ามันถูกถูกอาวัตถุมันก็ มันทการตรุงแต่นี้เองรู้ว่ามันปกติปกติว่าเป็นอย่างนี้ปกติหน้าก็เห็นมีอยู่ไม่ได้ยินยนี้มีเสียงมีอะไรนี่ได้ยินว่าปกติรับรู้ปกติพูดปรงแต่พก็รู้ตามรู้ทันมันมันค่ดว่ามันพูดอย่างนี้ยมีสติรู้กับมันแล้วก็การอะไร ส, สามผัสพวกมันก็คือเราไม่ได้ไม่ไปสนใจกัอะไรตรงนี้นะวุ่นวา มูเป็นอไรลึงมากะทนกับการมุปนาที่สุดที่สุดขาบ้านจะไปตรนนั่นจะไปไงต่อประจําเนี้ถ้าปฏิบัติยังไงต่อแล้วตอนนี้ถ้าปฏิบัติยังไงฮะอดีตที่าปฏิบัติแบบนี้ปัจจุบันท่านก็ปฏิบัติ่างนี้แล้วยังไงต่อก็ที่ที่กลางปัจุบานังชวงนี้แน่ใจว่าคือทำหรือปุกเนี้มันก็จะ เขาไม่ใช่อาที่ตัวท่านนะตอนนี้ท่านปฏิบัติอย่างไร<อ>แล้วก็ต้องเพียรอย่างไงต่อไปก็ก็จะเพียรในขณะนี้ไปต่อเรื่อยไปเรื่อยแล้วที่โยมแต่ละคนก็พูดกันเนี่ยมันถูกไม่ถูกยังไงนะที่ายให้เราฟังที่ถ้าเราเข้าใจตัวเราเราต้องเข้าใจคนอื่นไปด้วย<อ>ที่อ่านอย่างนี้ที่โยมโยมก็จะไปเห็นแต่อาการที่มันเข้าไปเข้าไปแค่ดนอารมณ์สบายแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นการตึงแต่ว่า เออตอนนั้นมันปรุงแต่งอะไรบ้างที่เราไปแค่อยู่ว่าเออมันมันมันบ่นอะไรบ้างเนี่ยคือเราเป็นรู้แต่แต่ว่ามันสบายหรือมันมันมันเพิ่งอะนรนงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันบ่อะไรเราก็ไม่รู้คือเข้าไปมุดไปในที่ในความมืดเคือเข้าไปในอารมณ์นั้นอย่างเดียวเลยคือไม่ได้ไม่ตื่นออกมาแบบว่าเออมันอยู่ในถ้ำนะมันต้องออกมามันไม่ได้ออกมาจากอยู่ในถ้าคือมัน ถ้าเา่ผอว่าเรามารู้ว่าการตกแต่งทุกหมดก็จะค่อยออกาจะทำจมันลึกออกมาเปนชั้นๆไปเรอยๆตุนบางผูอ่า่าห้ามบางูโลกที่มันปกติอะไรเงี้ยกติภายนอกที่เรนน่ารู้อะไรได้ในท้วน่าเอาใหม่เขาไห้เอาใหมาให้เอาไม่ให้โยมผู้หญงนิดนึงที่ท่านอธิบายเนี่ย กับพี่ตัวเราปฏิบัติเข้าใจไหมเนี่ยอธิบายเราฟังสิอ๋ออ๋อเอไมเอาไก่ไก่ไมไม้ไกีกยาแบบอะไรเกิดถ้าเาปฏิบติในแบบฝ่าท่านกีกลับมาที่มีสตที่เ็วที่สในการดงชีวิตจรนะรยเียให้มองผานไปให้กลับอยู่กันเองเออไม่เป็นแค่ไหน แล้วที่ท่านอธิบายอมันไปต่อไหยังไงพอกลับมาอยู่กับตัวเองมันลงฟุงซ่านรู้ก็ทานกลับมาอยู่ตัวเองลงสุ้งซ่านรู้สกผานแล้วกลับมาอยู่ตัวเองแล้วมาแล้วปฏิบัติยังไงต่อรู้สึกปฏิบัติอยู่แค่เนี้ยเรื่องยังไงต่อแล้วก็พยายามควบคตัวงให้ไ ควบคุมยังไงก็ให้รู่ก็ขออันนั้นมันทําเป็นแค่นั้นเองเราก็อย่าไปคิดพุ่งซ่านของโยมเนี่มันเลยมันเลยมันมันพุ่งที่เป้าหมายตรงนี้พุ่งเป้าหมายแต่เพียงว่ามันไปพอมันไปคิดพุ่งซ่านเราก็จะทํายังไงทุกทีตามมาให้มันคิดพุ่งซ่านเพื่อมันอยู่กับตัวเองไม่คิดพุ่งซ่าน เออผมโมโหอะไรตอบให้ร็วี่สุดแล้วยังไงต่อแล้วที่ปฏิบัติอธิบายยไงต่อมันจะไปยังไงเราฟังไม่ออกเราฟังไม่มองไม่เห็นทางเลยว่าเราจะก้าวหน้าไปยังไงต่อคนเราอธิบายไปจนเยอะแยะแล้วก็กกท่านอธิบายอีกแบบแต่เราก็จะมาตัดตอนทุกแค่แบบคงฟ้ารู้ประทันธแล้วกับมาอยู่ตเองคงฟ้ารู้ทันแล้วกลับมาอยู่ตัวเองคนเวลาคนอื่นอธิบายมันมันหายไปไหนส่วนที่คนอื่นก็อธิบายเราฟังเนี่ยแล้วเราก็จะกลับมาอยู่ตรงไอ้ที่เราปฏิบัติแค่กลง่ตัวเราเฉย แต่ตรงที่คนอืกก่นพยายามที่จะมาให้เราปฏิบัติต่อพี่อีกเนี่ยมันไม่มีต่อมันไปจบแล้วว่าฟุา้งซ่านรู้ตัวฐานเราอยู่ตัวเองพออยู่ตัวเองแล้วทำยังไงเราก็มาจับอยู่แต่บอกงโลกเ บ, บาวสบายเราบอกไม่ฟุง้อองล้านพออยู่กับตัวเองอยู่ตัวเองยังไงอ่ะอยู่กับตัวเองเสร็จแเรามาจับของโลกเ บ, บาสบายแล้วก็ซึมแล้วก็ง้อแล้วก็ลืนตามากระชำมม่วงนอน ก็เห็นบนอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ พ, งพงุงซ่านพุงซ่านพอรู้ฟุงซ่านอ๋อไปคิดอย่างงั้นไม่ดีแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองปอะโยชน์ ต, ตัวเองก็ไปจับความรู้สึกโง่โลกเบาสบายง่วงตึงลืมตาขึ้นมาก็ตาฉ่ำตาแดงฉ่ำไปหมดเลยง่วงนอนเสร็จแล้วก็ลุกไปทำงาน บทธ ร, รมาฟังรู้ทํางานแล้วคิดพุ่งสร้างทั้งวันกอพอยรู้ตัวว่าอ้าวพุ่งส ร, ร้าไป่ได้คือพุ่งสร้าแล้วรรลกลับไปอยู่กับตัวเองพออยู่ตัวเองก็จับก็จับระ บ, บาโง่เตมมันวนอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนเรามองไม่ออกเลยว่าไอ้ที่เราพยายามอธิบายตั้งนานมันมันหายไปไหนหมดเลยมันไม่มีเลยตรงส่วนที่ที่เราพูดเนี่ยวัลเล็กปฏิบัติวนเนี่ยเข้าใจไม่วบบ่าวน่ะวนอยู่แค่เนี้ยตามที่เราพูดถูกไหม เรามองอย่างนี้ยเรามองไม่ออกเลยว่าเหมือนขับรถหลงอยู่ในกรุงเทพเนี่ยจออกจากจังหวัดออกไม่ถูอ่ะวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วเราก็พยายามถามแล้วจะออกจากกรุงเทพได้ยังไงก็จะออกเท่ากัพยายามออกช่องโน้นช่องนี้แล้วก็วนไปวนมาอธิบายยังไงเราก็มองไม่ออกว่าจะออกจากกรุงเทพได้ยังไงเราก็พยากจะอธิบายว่าช่องทางนี้เธอจะออกไปถึงช่องทางนี้ออกช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้พอธิบายจบอ่ะอธิบายเราฟังพี่เดี๋ยวออกจากนี่ไปแล้วจะออกจากกรุงเทพได้ยังไง าอาธิบายเหมือนเดิมของเราเป๊ะเลยว่าเราวนยังไงก็กลับไปอธิบายวนตรงที่เราเคยเคยปฏิบัติมาแต่ตอนที่เราพูดอธิบายเราจะออจเจ้าจกกรุงเทพไงไม่มีเลยส่วนเนี้ตอนเราอาธิบายมันหายไปไหนหมดทำไมเนาะแต่ละคนมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะเหลือแต่พอให้พูดใหไปปุ๊บเหลือแต่ของตัวเองแต่อัที่เราพยายามอธิบายมันหายไปไหนหมดเลยเนาตรงเนี้ยเรามองเห็นข้อผิดพลาดในการสอนของเราเนี่ย เราไม่ใช่ว่าท่านนนัแต่เราก็พยายามเราจะต้องหาทางแก้ไขตัวเราเองคือเราสอนอยังไงคนมันไม่เข้าใจตรงนี้เนะี่ยคือเราสอนปุ๊บล้วมันก็ไอตรงที่เราสอนมันหายไปพอเราให้พูดใหม่แต่ละคนอะ่ะมันเหลือแต่ตรงที่ตัวเองปฏิบัติแต่ไอตรงที่เราพูดมันหายไปทุกคนเลยเป็นอย่างเงี้ยน้อยคนมากที่จะเออเอาเราไปต่อได้อเอาให้อุมพูดอ่ะเรา ช่วบอกไลยเถอะที่เราผิดพลาดตรงไหนไม่รู้เราจะได้ค้นหาตัวเราเองอกุ้มอะเป็นราะว่าปัญญาเกิดเป็นปัญญาที่ลูกตาสอนไว้แต่ปัญญาไม่ได้เกิดจากติวเองมันเป็นมีความคิดเป็นปัญญาที่เกิดจากคิดเข้าเข้าใจก่อนแล้วก็คิดแล้วก็จาแล้วก็ทำแต่มันยังไม่เกิดปัญญาที่ใจมันก็เลยวน เอาให้เอาให้เลยเอาให้เลยอ่อย mm ังไงเดี๋ยวเราหาบทสรุปไว้ได้สิสรุปก็เหมือนกนคือมันมันจำมาเงียวจำแล้วกาปฏิบัตอย่างพรอาจารย์ผู้ใก็จำจำแล้วปฏิบัตมันมันไมได้เกิดจาจิตตั้งันโดยตัวเงมมเกิดการคือมันไม่ได้ออกจากใจการบังก็จากใจพอเราใจุ้ เราไม่ชอบปฏิบัตเลยพอเม่อเราพูดคุยคุยถึงมันก็ไม่ชอบกัเลยเราไม่ดีดโตพอเมื่อ i ขาดีดโตเขาก็ไมโตไปเทนั้นมันก็เดินเดินนก็ไม่เจออะไรไม่เจอม้ังความันคือเดินเลอเดินออไราคือมันก็ไม่ได้มันมันมัน่ ตั้เป็นหั้ามาออกออกมาข้างนคือมันมันออกมันไม่ได้แล้วก็หลบเขมเอาผมอย่ไปป๊เนยอารจังมันไม่ใช่นะอาจารยดไม่ใช่นะก็็ตัที่ตัอแล้วมันใช่อะไนีัไก้อนหินดก้อนหมาหลงมันมันมันไม่หันมันหันด้่สางสิบหกคิดปุ๊บรืนองทําแต่ข้างในมันมันหลุดไป มึนกูยืมกู้อามาช่วยมึงกูไม่ยว่ะคเขาทานถามว่าแม่แม่แม่แต่แม่ก็บอกว่าแค่คุณเขาทาเขาละไม่ต้องะไรรู้ด้วยตัวใจม่กอนบอกผมไม่ใช่เอหนุนไปละแต่หนุนละอาจารย์สออย่างนี้เอยหาได้ผมก็ได้เล็กๆไปด้วยออกออกออกตามทุกแ่เอาเข้ามานการ มันไม่รู้จักผมพยายามมาหนึ่งปีตั้งแต่แรกอาการดีกว่าไม่ถึงขั้นท้องทันผมก็ท้องทัาตลอดมันไม่ไม่ทันใจมผลจากมี่เรื่องผจากใจมากอาการเยอเยมาแต่มันก็ได้นอนแผมก็ความหวังคือให้ให้ดีมากแต่มันยังไม่ไดไม่ได้ต่ว ผมหนุ่างผมรู้ตัวทางทางแบบนี้หาทางแบบให้เจอไม่ได้คือก็ไม่รู้ระหว่างนั้คือตอุกคนไม่ไม่ไมม่ไปเรียนู้นไปนีไปอะรอยู่เลยออยาเ็จก็คือส่วนก็ได้สมาธอยู่เลยพอคิดเกิดเกิดคิดนู่นคิดี่คิดคินูนถ่เยก็คิด ถามเรื่องเราก็ตายพอเราตายปุ๊บเราคิดว่เราเราตายทีจะละความตายเราทำอะไนมันอะไรแล้วมันก็ไม่มันไม่แตกต่างกันขณะที่มันมันมันไม่ออกออกข้างนอออกมาเล่นมิเตียออกมาแค่กลางกลงคมำแล้วก็หลบไปมันไม่ออกไปอยู่โลกภายนอก มันม yeah right. <'ll> ันวนนเวนใรเนนาแข็งตัววันก็กาบงวันก็โผโรคเนื้ออยากเจญรคตัวแต่มันไม่แงีือผมจอแต้โที่แบบมันมันตื้นต้อภาวนาภาวนาดีๆก็านาีแค่นี้ ปัญหาใหญ่ก็คือมันจะมีผู้เอาของเราอะปฏิบัติไปภาวนาไปพูดมาทุกขณะเลยพูดมาทุกตอนคือจะเอาเราไม่เห็นเนี่ยมันมีผู้จะเอาไอเนี้ยคือตัวปัญหาใหญ่เราปฏิบัติโดยมีผู้จะเอาและจะเอาคือจะพยายามออกมาจาก่ําจะเอาไม่ผมไม่เคยพบความว่างเลยจะเอาความว่าง ผมไม่เคย พ, พยคคบความโป่งโล่งเบาสบายเลยจะเอาโปร่งโล่งเ บ, บาสบายเอาแล้วก็เกลียดไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายคือเราไม่เห็นไงมันมันปัญหาเสย菩萨ที่แท้จริงแท้แท้มันอยู่ตรงนี้พูดจะเอานี่เนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติให้สิ้นพูด จ, จะเอาเราจึงไม่ก้าวหน้ามาเลยวนอยู่แน่เนี่ยเพราะว่ามันมีพูดจะเอาเราเราไม่ได้ดับพูดจะเอาแต่เรามีแต่พูดจะเอาเพิ่มขึ้นเราไม่ได้อย่างใจ มีผู้จะเอาไม่ได้แต่งใจเราเลยท้อเบื่อเส็งกุ้มเพราะว่ามันมีผู้จะเอาแต่จริงต้องดับผู้จะเอาพอสิ้นผู้จะเอาแค่นั้นแนะมันก็สิ้นทุกเลยมันก็พ้นจากทุกพ้นจากภพชาติพ้นจากกรรมยิ่งวายตายเกิดเลยมันไม่เชาไปเอาได้อะไรหรอกเพียงแต่ดับผู้จะเอาตัวเดียวไม่มีผู้จะเอาแต่เราไม่เห็นตัวเนี้ยมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาจะเอาแล้วมันก็ไม่ได้อย่างใจพอไม่ได้อย่างใจก็ขับแค้นใจเบื่อเต็งกุ้มพอแท้หดหู่สิ้นหวัง มันมันไม่เห็นผู้จะเอาอปฏิบัติคือไม่มีผู้จะเอาทิ้งผู้จะเอาไปให้หมดผู้จะเอาไม่มีมันไม่เห็นปัญหามันก็เลยปฏิบัติไปการเป็นงูกินหางครับคล้องใจครับแทงใจหนักกันใจเพราะว่ามันมีแต่จะเอาจะเอากูจะเอากูจะเอาแล้วไม่ได้มันไม่ได้อย่างใจกูจะเอาความว่างกูจะเอาไว้พ้นออกมาจากพถามกูจะเอาความก้าวหน้าจะเอาโนู่นจะเอานี่มันมีผู้ผู้จะเอาวิปูจะเอาดับกูจะเอา ปฏิบัติเพื่อให้ส in oh <um ิ้นผูจะเอาผูจะเอาปฏิบัติเพื่อให้สิ้นกูจะเอากูจะได้กูจะเป็นมันที่จะก้าวหน้าไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปเอาอะไรให้ได้ก้าวหน้าไม่มีหรอกมีแต่กิเลสเท่งนั้นเองนั้นแหะปฏิบัติเพื่อให้สิ้นกิเลสมันมีกูจะเอามันก็เป็นกิเลสปฏิบัติทั้งหมดเพื่อให้สิ้นกิเลสแต่มันยิ่งปฏิบัติกูจะเอากูจะเอามันก็เลยยิ่งเป็นกิเลสปฏิบัติเพื่อสิ้นกิเลสไม่ได้สิ้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อกูไปได้อะไร ให้เห็นตรงนี้ตัง i, ต้งหลักใหม่ตั้งราใหม่เขาใจใหม่ตอไหนเสดงนี่ว่าไงอเดี๋ยวชื่ออะไรเราจําจํำชื่อได้เราจําชื่อคนนี้แม่นึ่งคือมีเนาะนี่ชื่ออะไรนะมัณฑนามัณฑนามัณฑนาืุดนี้อ่ะอ่ะคือต้ใช้ที่หนาสนถามว่าคือความอยากมีอะไรไหมถ้ามีเราก็ต้องยามรับเลยว่าในระยะความอานนายากของใ่รเราไม่คืองพยายาม มีแ like cool. ูมเอายังไม่ควรอยากได้ทาากดงอยากได้ทาอยากดูกามรู้จับอกว่าหนว่ามีที่ไหนก็หลอกตัวเองได้ทั้วน่า้ตลอดเลแล้วก็มีความเสียนที่อยากจะมีคได้แต่บางครั้งก็จะคุยว่าได้ทไมไม่ได้ทาไมทาไม่ได้ีมันอไม่ได้สังิีมันมีความอยากจะเอาไม่ใช่ไม่เห็น เรามีผู้พยายามที่ไปปล่อยผู้จะเอาไม่ใช่รเราไม่เห็นมีมันเราเราปล่อยผู้จะเอาเราเราบอกว่าปฏิบาาัติ เ, เราเพื่อจะเอาพอพอฟังเราแล้วจะพยายามปล่อยผู้จะเอาปล่อยผู้จะเอามันปล่อยไม่ได้จริงแล้มโหขับค้องใจเราเนี่ยปล่อยผู้ที่พยายามจะปล่อยผู้จะเอานี่ยไหนไม่ต้องพยายามจะไปปล่อยผู้จะเอาหรอกมันจะเอาอยัา ง, งไงเราก็เห็นอยู่แต่เราไม่ลงไปกับมัน เออ แ, แต่เราก็ไม่เราไม่ได้หลงไปกับมันแต่เรายิาง่งปรญาจะไปทาลายมันปัญาเขจะอายเรากลายเป็นเนี่ยเรานี่กลายไปเป็นอ ย, ย, ยากอยากจะให้ผู้จะเอาเนี่ยมันหายไปมันไม่มีอะไรจบเรามันมีแต่ไม่มีไม่มีไม่มีผู้จอาแล้วไม่มีอะ ไ, ไรจบ เดียวจะไปรอตรงจบจะเอาจบมันไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่มีมันมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วมันก็ดับไปเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมีแล้วก็หายไปรู้ทันมาแล้วจะเป็นยังไงเราบอกว่ารู้ไม่ทันมันถ้ารู้ทันแล้วเป็นยังไง ถ้าวางไปแล้วจะเป็นยังไงแต่ความอยากดับไปแล้วจะเป็นยังไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้าอ้า้าปฏิบัติไงกูกินหางแบบนี้ไล่ไปไล่มาที่สุดแล้วมันก็จะได้สบายหนูจะได้ว่างไหนอะไหนอ่ะ นายบอกว่าจะไม่สิ้นผู้จะเอาไะพอเราไล่เข้าไปอ่ะเอาข้อจริงอ่ะไม่จริงรอ่ะนะอันนี้ผู้จะเอาดักหลังอยู่ดักหน้าดักหลังอยู่เ้วไปไงต่อตอนนี้ก็ใจยังงตอนนี้ใจยัง ไ, ไงนะอธิบายเราฟั ง, ห ใ, งหใหม่พอใจยังไงแล้วเอาใหม่พอใจยังไงเอาตอนนี้ อืมอืมมือไม่ให้ค่าเข้าขมาแล้วเป็นยังไงกลับเวลารู้ตัวที่กายที่ใจต่อไปกับมารู้ตัวที่กายที่ใจต่อไปเพื่ออะไรพอทิกิเลสละกิเลสเพื่อแล้วจะเป็นยังไงพ้ามาที่กิเลสแล้วจะเป็นยังไงมีใครไม่ต้องกลับมาเกิดฮะ อัอเชนนี้ก็คือความมาจากะสบารณแาถามจริงแล้วคือมันยังไม่ได้เข้าถึงใจก็ให้มันเข้าถึงใจี่ทาไมให้มันไม่เอาความจำเลยให้มันเข้าถึงใจดิเราไล่มาเนี่ยเพื่อจะให้เข้าถึงใจในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาความจามาเนี่ยก็ที่ไล่เนี่ยจะไล่ให้เห็นว่าเนี่ยมันมีผู้จะเอาดักหน้าดักหลังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไดเห็นมาเนี่ยกรท่า้เอเราเกจะไม่เอาไงกจสาเรายือกได้เะไม่ได้เป็นการแทก เขาไม่มีผู้จะเอาดักหน้าดักหลังก็ไม่เป็นไรเราจะถามไร่หนินะทาอย่างนี้เพื่ออะไรทำนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรสรุปแล้วพอเสดระตายก็เพื่อตัวหนูจะได้ว่าเพื่อตัวหนูจะได้ในต้องกลับมาเกิดแล้วก็มีตัวหนูไงเพราะตัวตนเราไม่มีไพบอกตัวตนเราจะมีไม่มีตัวไม่มีตัวหนูนี่ไงมันทำทั้งหมดก็เพื่อตัวหนูอ่ะมาเลยเรนงูเป็นงูกินหางเลยแต่เนี้ย ก็ที่เราไล่เพื่อเห็นว่ามันมีความหลงอยู่ในสุดแล้วมันก็มีแต่ธรรมชาติที่ว่าจักแต่ว่ามันเป็นไปอย่างนั้นเองมันไม่มีใครเป็นมีไปการทําเพื่ออะไรเพื่อใครเข้าใจอ่ะเข้า จ, จริงว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเรากลับมาไล่อีกทีไงเอา้าฟังอีกครั้งนี่เ ข, ข้าใจไหมเนี่ยเยวมันรัณ น, นาอะ เอาเอาอาหมายอธิบายเหมานี่รอบสามแล้วรู้ไหมว่าจะกลับไปจะปฏิบัติยังไงจะเด็กเราจดับได้ในสัญจโดยท่อันเกน็อยมจะยืนอยู่ตรงนี้ยืนทุ้ยอยู่ตรงนี้เลยละ่ะจะดับอย่างเดียวีสติจะดับอย่างเดียวมันก็วนอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยอธิบายไงมันก็วนอยู่ตรงที่เดิมเลยเนี่ยรู้ไหมเนี่ย อ้ามรู้ไหมว่าวันวันบงทีเกเขา็นคือก็ยืนยืนพื้นตรงนี้เลยอ่ะเอาเอาอามสิเอาเอาเราก็เราพยายามจะช่วยเพื่อนก็ทุกคนก็พยายามจะช่วย แต่อธิบายเนี่ยอธิบายไปตัเยอะมากเลยอ่ะพอธิบายเสร็จมันเหลือแค่ตรงเนี้ยแค่ตกของเราเลยแค่นี้เหมือนเรามาจากบ้านแล้วเราก็ตั้งใจฟังแล้วเราก็เนี่ยตั้งใจปฏิบัติเราเป็แค่เนี้ยเราก็ตั้งใจไปสมมติแ่บเท่ากับสิบเปอร์เซ็นตเนี้ยเราก็พูดคนอื่นหลายก็ช่วยพูดภาคก็เชื่อพูดเออมันมันมันได้ความรู้เขาก็ใจมีการปฏิบัติเปลี่ยนไปเออกลับไปมันเป็นอย่างนี้เราปฏิบัติไม่เคยไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้เลย เราไม่เคยไม่ปฏิบัติอย่ทีนี้อย่างนี้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยปฏิบัติเออมันเกิดความรู้ความใหม่กลับไปบ้านตอนนี้พูดเหมือนเดิมเลยพอพูดจบใครพูดจบอยังเนี้ยแหละก็มันหลงไปแล้วเราก็รู้ ต, นะตัวขึ้นมามันหลงไปแล้วเราก็รู้ตัวขึ้นมาว่ามันหลงไม่ดีนะไปคิดนั่นคิดนี่นานๆพอมันหลงไปแล้วก็รู้เราก็ลู้ตัวขึ้นมามันไม่ดีนะมันไปคิดนัคิดนี่ไม่ดีหลงไปแล้วก็รู้ตัวขึ้นมา รู้ตัวขึ้นมาแล้วพอเราถามว่ารู้ตัวขึ้นมาแล้วอยู่กับอะไรรู้ตัวขึ้นมาก็มาอยู่กับทํางานบ้านฟังธรรมะบ้างฟังนั่นดูนู่นดูนี่ก็ไปฟังธรรมะดูนู่นดูนี่ไปทํางานบ้านทําไงก็สมน์มได้พระามสมาธิน่าหนี้ น, นี่นนีนน่ทำอะไรจับความรูร้สึกโง่โเบาสบายแล้วก็งัว้่านพยาอย่างไรนีนี่นี่นี่นีนี่เอาเฮียเสียเนี่ยนายกาศให้เขียงนยีน่เอ่เอาอยาเรื่องัยา อย่างไรอย่างไรใช่ไหมย่งไรถ้าอยากเกิดขึ้นแล้วก็อยากไปถ้าเป็นหรือคนที่พูดไม่เต็มใ่ไอ่าพูดเลยพูดเลยเอาเอาเอาอนี้ที่อยากดนล้อไปก็ใช้เรื่องของเงินันนก็ไม่ใช่ของเราเก็้อุวัี่ไหนนคือว่าการที่มาเามการใแรงเียเราก็ต้องเดอยความค่า ไม่เราเชีญเราพูดไหมหมดเลยเอาเอาที่เราปฏิบัติเดยอาพูดเลยสิเองไหนต่ออยู่ก็พี่นยอยู่เนี่ยของเราของผลิตภัณาร่างกายต่าที่วัที่ทำอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเรางานบ้านราทำธะไปล้วก็คือเราดีจำเ็นคือว่าเออให้เราทำธุะอยู่นอันนี้งาต่อเรงนี้นะเออแล้วก็ปิดติดแล้วก็อยู่กับธุระนะคเมือเราก็ทำไปหรืว่าเราแค่ภวอะไรยม ไม่เป็นไรบูไปเก่งแต่เราก็เห็นอยู่ว่าใจมันคิดอ่ะนะคือเราทงสัยอยู่อย่างเราต้องฝ่อยู่อย่างหนึ่งอ่ะไอ้ที่ที่เราปฏิบัติแล้วบอกเราเนี่ยปฏิบัติแบบนั้นนหละแล้วก็เราก็บอกว่าพอมันสงบแล้วเราก็มาพิจารณาสังขารไม่เที่ยงผมคนเล็บกระหนังกระดูกกรไต่ายไซนอไ ซ, อไซใหญ่มากกสะบอดหัวใจอาการหายสองสังขารไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเราเราพิจารณาแต่ทําไมใจข้างในเราเนี่ย จริงๆใจทั้งไงเรากอกเกี่ยวกับพวภันแล้วมันมีความทุกข์มีความคับงคลอนมีความน้อยนิดต่ำใจอยู่ในใจเป็นเพราะอะไรอ๋ออเหมืกันที่ดีทัใจแต่ว่ามันคูอก้างเออเรื่องโน้นเรื่องนี้มันจะทุกข์เป็นเาเออก็จากที่เลยนอ๋่ยากจะเป็นแค่นั้นเองเรคิดว่าพุกวนี้ก็เชื่อว่าเออสมเนเ่องอะไรกัน่มีอะไรแบบ้องมีิุใจมัก็มีเออมีปัญหาบ้างเออ เรื่องหลัก hmm. ส <laus> ี่ก็ลูคนโเขา้ทเรื่งหลักสบายได้เเนี้ยแล้วก็ต้องพยายามสมยทำานก็ถามว่าอันนี้นะเป็อ่งนี้นะที่ต้องอย่ามองหอนะอย่างเงี้ยก็คือแค่ไหนนะพันเดียวนะฮะลูกก็สบายแล้วเราก็สบายแล้วจรงทำยังไงเราจะให้ไรที่เรื่อนี้กระบวนการสืบสวนนี้เสร็จเรียนที่น่จริงอยากไมแตงวานแล้ว อืมคือนาไม่ดีนะ่ากันตอนเช้าดกว่าอืมแล้วการพิจารณาไป็นีังไงบ้างพิจาาความแก่ความเจ็บความตายความไม่เจริญความขาดแล้วมันเป็นยังไงวันละกี่รอบวันละกี่รอบมันจะกี่รอบวานละกี่รอบวันละกี่รอวันละกี่รบ้านละกี่รองวันละกี่รอบวันละกี่รอบวันละกี่รอบวันละกี่รอบวันละกี่รอะ คนก็ไปนคนินแต่เกนาเร่องธรรมดาเราตีนยกี่รอบวันอะไรเบ่อยบ่อยกี่รอบวันกี่รอบนัาไม่ได้ต้องแสดงว่ามากกว่า1 0อยรอบอ้าน้บไม่ได้อะกี่รอบประมาณ เราจะดูว่าบ่อยขนาดไหนแค่นี้เองกิจวัตรกิจวัตรเป็นไงสี่เออที่ยวนามากไหมต้องแค่นั้นแหละอรอะรอะไรอะไร่างนี้เพาว่าข้างล่ามีสอนตั้งใจทีห้ไดก็จะเรนอะก็ต้องครที่เราต้คิดแบบอะอเง้ยอืม ที <Hmmm. S 2> <ten g> ่ค่ที่มีการบอกเออทักษะที่มีการขอการด้วยนะทหลังว่าที่หลังว่าทักษะเรของทีมทเดอร์อีไรเนี่ยมันไม่จะม่กดในการแบบ็ก็เสร็จแล้วนะรนอุทยานอืทอันนี้เราเป็นโบกแก๊สในอุทยานอุทยานอันนี้ก็เสร็จแล้วนะพูดใกมาเขาอาเซีอยู่เด็กก็เสร็จแล้วนะแก็ใช้คำมาดี ต้เป็นมาเปนมาดิม่าเลยคะถ้าเกิเดี๋ยวเสร็จ้วคืนที่เขาดีกว่าไม่เลยใช้การกันเลยติแานกันเลยช่วยปจ่เขาไม่มีอะไม่มีานี้ไม่ีเนียรูปวาบ้านอะไรที่ไม่หมที่นี่หลังไม่ดเยอได้เยอเลยไม่ได้เยอเลย มีพี่สาวา่อเอยู่พอค่อนข้างสบายคือยิ่งคนมใชเปผู้ขาราการก็แได้มาดูเรียนคนว่าเออมาหาค่ตามนะคีใจก็เออหลังนี่อยากจะได้รัศึกษาจากอาจารย์ได้สำคัญที่สุดตรงพี่นาเนี่ยความไม่เที่ยงของสังขารเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายความน่าเผื่อผูกวัมความพัดพาดตรงนี้แม่พีจารณาน้อยไป เราจึงถามว่าวันที่นายกี่ครั้งทีบอกว่าจาไม่ได้คือพี่นายให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนได้เนี่บที่มีช่มากขอรวโอออย่า ง, นนาา ง, าางีแค่สำคัญเราก็มาที่ขายจิตว่าเออเ้นมันมีโอก า, าได้มาเรียนดูยการมาให้การตอข อ, ข อ, ขอให้ดูหน่ยเออเราก็เลยถามพี่เขาเนาะ มันเป็โรเอสบายเราเนี่นยเราไม่ขาดที่มาเ่มอจะเป็นร่นของเข า, า, มา่ม่ะอถ้ามาลงแก่ใจนะที่นา่นถึงความแก่ความเจ็บความตายที่สุดไม่ได้อะไรเลยหรอกทุกอย่างที่มีอยู่ทั้งหมดก็ต้องพระารคาจาดไปทิ้งที่นั่นถึงความไม่เที่ยงสังขันไม่เที่ยงที่ น, นั่นมากๆเข้า ไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้ที่ปรก็ต้องจบลงก็แค่ดับลงเดี๋ยวก็ดับลงแล้วที่มีอยู่ทั้งหมดก็ต้องพัดพาจากกันไปเดี๋ยวก็ต้องพิสุลมให้ใจแล้วเอามือออกมาผ้าขาวนั่นคือลดน้าสดผ้าอะมาชักผ้าบางกูนอนิจาวัตสังคาลาอุปาดายาธมินโอปตะวานิรุชนติเต ส, สังอุปตะโมสุโกก็พิณาเข้าแล้วก็จับเดียยัดใส่เตาเผาเป็นขี้เท้ า, าธาุรีไปก็เก็ไปลอยอังคารทิ้งหมดเอาไปลอยน้ํำทิ้ง พินาซ้ํ า, า, าแล้วจบเสร็จแล้วก็พินากลับมาพินาอีกเนี้ยพินาถึงความไม่เที่ยงที่สุอกับผู้ฟังสลายไปแก่เจ็บตายผู้ฟังสลายเพราะว่าจับดัดเตาเผาเข้าไปเผาเสร็จแล้วก็ผู้ฟังสลายพิชิตเท่าทุรีก็ไปลอยน้ําทิ้งมัไม่เหลืออะไร แ, แต่ความว่างเปล่าโรคระลืมเราไปหมดสิ้นลูกหลานต่อไปข้างหน้านเขาจาเราไม่ได้แนละ้วลูกคนก็ลูกก็ทยอยแก่ไปแล้วก็ตายไปเหมือนกันไปหมดสิ้นไม่มีใครเหลือ แล้วเราก็หายไปจากโลกนี้แล้วโลกก็ลืมเราไปเราก็น้อมกลับมาที่ไหนซ้ําหนึ่งเนี้ยซ้ําซ้ําซ้ําซ้ำอยู่อย่างนี้เนี่ยในแง่มุมต่างๆในแง่ของความไม่เที่ยงเนยในแง่มุมต่างๆต่อที่มันโดนใจเราที่มันถึงใจเราพิจารณ์เนี่ยมุมนี้แง่มุมนั้นแง่มุมนี้ให้ที่มันถึงใจถึงใจถึงใจที่ความไม่เที่ยงของสังขารก็มไม่เที่ยงของทุกคนความต้องที่สุดก็ต้องพังทาจากการไปหมดสิ้นไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้ ยึดถือไม่ได้สั้งขานก็ยึดถือไม่ได้ความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ก็ยึดถือไม่ได้ที่รุ้สึกต้องดับไปหมดสิ้นพอมันดับแล้วก็ไม่เหลืออะไรมันก็จะไหลผูพังไปเผาไปก็เป็นที่เท่าตุรีไปเล้าก็ไปรอยน้ําทิ้งหมดสิ้นแล้วโลกก็ลืมไปไม่มีใครรู้จักอะไรต่อไปคนเร้องหลังก็ไม่มีใครรู้จักนะ เราเจะจะหลงผูวอ่าคุณต้อจะรักเราใน่สุดเราก็หายไปหมดเลยเราก็เราก็น้อมกลับมาใหม่เนี่ยน้อมกลับมาที่ไหนเนี้ยซ้ําในแง่มุมต่างๆถึงความไม่เที่ยงของตัวเราและคนอื่นของทุกสปรพสิ่งไม่มีสิ่งใดเที่ยงเลยในโลกนี้ทุกสปรพสิ่งเราแต่ไม่เที่ยงที่นานน้อมก็อย่างเงี้ยอย่าปล่อยไปคิดอย่างอื่นได้พอไปคิดอย่างอื่นพวกเพื่อรู้ตัวางพวกเรากลับมาน้อมพิษ พิจารณาพิจานณาอย่างนแล้วพอใจหลงไปคิดอย่างอื่นปุ๊บก็พลิกเลยตามความรู้สึกตัวพลิกกลับมาหลุดออกมาจากที่เราเพิ่งกล้าแล้วกลับมาแล้วก็มาน้อมพิจารณาอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกพอมันพลิกกลับมาเนี่ยพิจารณาเลยพอมันหลุดไปคิดพุ่งกล้าอย่างอื่นปุ๊บรู้ตัวทันปุ๊บเราก็พลิกกลับมาพิจารณาเลยน้อมน้อมนอมนอน้พิจารณาอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยพอมันหลุดไปคิดพุ่งกล้าอย่างอื่นแลน้อมกลับมาคิดพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารกายตนของสังขารผู้อื่นคิดอยู่อย่างเน เราจึงบอกว่ามันน้อยไปเพราะมันไปคิดอย่างอื่นมากกว่ามันไม่ทันการกับสังขารที่ไม่เที่ยงเพราะว่าเรานับเวลาถอยหลังและอายุมากแล้วเดี๋ยวมันใจมันยังไม่ปลงปล่อยวางได้เลยเพราะในใจเราเห็นว่ามีความทุกข์ซ่อนเลนอยู่เราจึงเราจึงพูดว่าถ้าเราพิาจารณาจิตใจมันขาดจากความยึดมั่นถือนั่นมันจะไม่มีความทุกข์ความซ้อนเลนความสลับระพอนในจิตใจทั้งอารมณ์ทั้งความคิดความรู้สึก มามาซ่อนอยู่ในใจให้ให้ถูกจับได้ให้เห็นได้นี่เราแปงว่าการพิจารณาไม่ขาดมันได้แต่เป็นความคิดที่ผิวเผินเรายังพิจารณาไม่ลงแก่ใจสังขานเราอยยุมากมายขนาดนี้แล้วมันจะดับรับไปนี่นบับเวลาเทยหลังไปก็ไม่มากแล้วแลวเนี่ยแต่เราใจเรายังไม่คงปล่อยวางได้เลยเราจึงต้องน้อม ซ้ำแล้วซ้ํำอีกซ้าแล้วซ้ําอีกเป็นวลายอย่างอื่นไม่มีแล้วอายุมากแล้วนับเวลาสายหลังแล้วใจต้องคงปล่อยวางให้ได้ก่อนที่จะสิ้นอายุไขก่อนที่จะลมหายใจเพลือกสุดท้ายจะดับลงไม่มีอะไรแบกหามาไปได้ไม่ยึดอะไรให้เป็นทุกข์ท้งหมดอที่ยึดเอาไวไ้อะไรก็สังเกตให้หมดว่าใจยังยึดอะไรก่อเกี่ยวโภพันอะไรยังรักยังชังยังห่วงใยอะไรยังกังวลอยู่กับอะไร ตับให้ขาดออกจากใจให้หมดแล้วก็น้อมพิจารณาถึงความไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเราพิจารณาใจดูว่ามันเกาะเกี่ยวพัวพันสิ่งได้อะไรอยู่ที่ยังตับในขาดยังเกาะเกี่ยวยังพัวพันยังกองวนใจยังความทุกข์ใจยังมีความกับแค้นใจยังน้อยเนื้อต่ำใจยังมีอะไรที่ไม่ได้อย่างใจอยู่อะไรเล่าที่อยู่ในใจเราพิจนราให้มันขาดมันจะดับแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ขาดจากความคิดบ้านถือบ้านเลยพิจานณาอย่างเนี้ยแล้วใจก็ปล่อยวาง สิงที่เราไปเกาะเกี่ยวหัวพันไว้ที่มายึดไว้ในใจแล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเนี่ยที่ไายเหนความจริงในแง่มุมต่างๆของสังขารไม่เที่ยงรีตุก็ต้องพักคลาดจากการไปหมดทิ้งไม่มีอะไรเอาไปได้แต่ขามาไปได้ถ้เราไม่คิดจะไปไหนบุญกับบาปก็เป็นโมฆะหมดมันไม่เอาไปติดไปได้แล้วบุญกับบาปก็ไปไม่ได้เพราะไม่คิดจะเอาไปไหนดับสนิทไม่มีส่วนเหลือแล้วจิตจินญาณสุดท้ายมันก็จะดับไปเหมือน ไฟเตียนที่ดับพึกหายไป mm. บุญระบาปก็ติดไปไม่ได้ไม่มีอะไรติดไปได้เลยก็พิจารณาให้มากๆพิจารณาให้มากเราที่บอกว่าพิจารณาให้มากๆเราพยายามจะจี้ขึ้นมาให้ให้พูดออกมาให้ได้เพราะเราเห็นอยู่ว่าใจยังเกาะเกี่ยวพัวพันยังเป็นทุกข์พิจายังยังไม่ลงแก่ใจยังเกาะเกี่ยวยังพัวพันอยู่นะือ อืมแต่ต้องพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่เราก็ต้องพิจารณาเข้านะ